วันนี้คณะสัตย า, าติยมจากกรุงเทพฟังฟังดูแล้วก็ทั้งสองคณะที่มาร่วมพอดพระปาในวันนี้ก็นับว่าเป็นนิวิทหมายที่ดีเพราะว่าพระเจดีของหลวงปู่ที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยคณะสัตย า, า, ญญาติยมหลายหมู่หลายคณะได้มาร่วมให้ความอุปถัมภ์ ในพระเจดีเพราะนั้นในครั้งนี้เมื่อพระเจดีจวนจะเสร็จเมื่อไม่นานเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อเองก็ได้มาร่วมประชุมที่สลาดกลางจังหวัดหลวงปู่เป็นประธานแล้วก็มีคณะสงฆ์มีรองท่านครูว่าและก็มีคณะพี่น้องประชาชนคหาบดีของชาวเมืองอุดร หลวงปู่ปลารบขึ้นมาว่าเมื่อพระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีศาลาเนี่ยท่ า, าเรียก บ, บ้านเราเนอว่ากุ้มห้องเราว่าศาลาลายแต่ตามไม่จริงศ า, าลาหลังนี้คล้ายๆว่าเมื่อคนเข้ามาในบริเวณพระเจดีย์ถ้ามีฝนตกแดดออกจะเข้ามาในพระเจดีย์ก็คงจะน้อยเกินไปก็เลยหลวงปู่ก็เลยปารบขึ้นมาอยากจะสร้างศาลาสองหลัง หลังหนึ่งท่านก็เห็นเป็นศาลาพระองค์พาพระองค์พาเสด็จประทับเมืองอุดรในช่วงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายของชาวเมืองอุดรทั้งหลวงปู่ทั้งก็ปราลบว่าน่าจะมีศาลาหลังนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายสำหรับองค์ท่านและกพร้อมกันอีกหลังหนึ่งเป็นศาลามุลพาจานร์ คือวัดโพธิสมพร อ, อย่างองค์หลวงปู่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยองค์ ห, หลวงปู่ใหญ่คือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอย่างพวกเราเห็นในรูปเนี่ยนี่แหละอันนี้คือเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นชาวจังหวัดนคนพรพนมแล้วก็เป็นท่านวบวชจะเป็นเน น, น้อยจากนั้นหลงพ่อซาในประวัติของท่านตามครูบาอาจารย์ได้พูดเท้าว่าเกี่ยวข้องถึงหลวงปู่มั่นด้วย แล้วก็เจ้าคุณปู่วัดจังหวัดนครพนมด้วย เ, เห็นว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเนี่ยมีบุ ค, คลิก ด, ดูใบหูของท่านนะใบหูทางภาษาอีสานว่าใบหูเติง่งางอะใบหูกลางฮะหลวงปู่มาเนเออเนียนจูมเนี่ยเด็กจูมเนี่ยคงจะเป็นที่พึ่งต่อไปภายภาคหน้าท่านก็เลยส่งเข้าไปเรียนหนังสือทางกรุงเทพนะ พอเรีย น, นถือก็ท่านได้มหาโจุลที่นี่ต่อมาก็เป็นพระทางกรุงเทพก็ส่งขึ้นมามาอยู่มาเป็นเจ้าวาดวัดโค ท, ที่สมพรในหลวงพ่อพูดอย่างรลภลัดณนะมาเป็นเจ้าวาดวัดโ ท, ที่สมพรจากนั้นท่านก็ได้เป็นพระครูต่อมาก็ได้เป็นเจ้าคุณต่อมาก็ได้เป็นพระ อ, อุปชัยยะเมื่อเป็นอุปชัยยะที่นี่หลวงปู่มั่นท่านก็ไปแสดงธรรมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆในทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือเกือบปวดทั่วทุกจังหวัดแล้วมีศรัทธาญาติโยมอยากจะบวชในสมัยนั้นก็ทั้งฝ่ายพระมหาริกายทั้งฝ่ายวัดบ้านก็เห็นพระหลวงปู่มั่นเทศธรรมะให้ฟังจับจิตจับใจก็มีหลายองค์อยากจะยัติเป็นธรรมยศนะจากนั้นทา่านก็มาหลวงปู่มั่นท่านก็เลยเอามา ให้ท่านเจ้ากุณวัฒเจดีองนี้แหะที่ท่านเป็นอุปชายะเนี่ยท่านก็บวชตรพระลูกศิษย์ลูกหาหลงาวหลงปู่เสาหลวงปู่มั่นมีมากต่อมากเลยท่านี้ถ้าจะว่าไปแล้ววัดโพธิสมพรเเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นพ่อของพระกรรมฐานเพราะพระกรรมฐานทั้งหมดนี่เกิดออกจากวัดโพธิสมพร อ, อย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวอย่างเนี้ยหลวงตามหาบัวอย่างเนี้ย หลวงปู่อ่อนแล้วก็หลวงหลวงอาของหลวงพ่อในนี้หลวงปู่จามนะอายุเก้าสิบแปดปีที่ห้วยทรายเนะ่ยเป็นหลวงอาของหลวงพ่อนะท่านก็มาบวชที่นี่เห็นไหมจังมุกดาหารจังเดินมาทางมาบวชที่นี่และก็หลวงปู่ล่าวัดปู่เจ้าก้อเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเขาก็มาบวชที่วัดโที่สมพรเนีเพราะฉะนั้นวัดโที่สมพรเนี่ยเป็นต้นตระกูลของเป็นพ่อของพระกรรมฐาน เนี่ยพูดอย่างนั้นไม่น่าจะผิดเพราะว่าหลวงปู่ธรรมะเจดีเนี่ยสมชื่อจริงๆ่เป็นเจดีเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมการสร้างพระเจดีจุดนี้หลวงพ่อว่าเป็นการหวานพืชลงในเนื้อนาบุญที่ไม่ผิดที่ก็แล้วกันพูดง่ายๆนะและก็พร้อมกันหลวงปู่ใหญ่ของวัดวัดโพของเราในขณะนี้พระอรมญานโมรีท่านก็ ได้ปลารพบสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วบนยอดพระเจดีย์หลวงปู่ก็ได้บรรจุบรรจุพระบรมสาลีลิขชาติและก็ธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธาตุหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านล่วงลับไปแล้วโดยมากจะ ก, กลายเป็นว่าธาตุ เ, เม็ดกลมๆเหมือนกับเมเด็ดข้าวโพดอย่างนั้นมีมากต่อมากแต่ท่านก็บรรจุขึ้นบนยอดพระเจดีย์ จากนั้นชั้นล่างลงมาท่านก็บรรจุรูปเหมือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ชาวเมืองอุดรพี่น้องต่างถิ่นต่างแดนได้มากราบมาไหว้เคารพสักการะบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อสร้างเสร็จไปแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้มาปรารบถึงพระเจดีย์องนี้แต่องค์หลวงตามหาบัวนะ เมื่อออกพรรษาที่แล้วท่านก็มาทอดกระถิ่นให้แก่วัดโพธิสมพรเพื่อสร้างพระเจดีย์แห่งนี้ก็เป็นเงินมากอยู่ถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดประมาณเจดล้านกว่าเหมือนกันนะจากนั้นท่านก็ได้ดูดูแลๆไว้อยู่แต่ว่าการสร้างพระเจดีย์ก็อย่างว่าต้องใช้เงินมากหลวงปู่พูดปาร็กเมื่อกี้นี่ยกว่า30มหมดไปสาสิบกว่าล้านแล้วแต่ยังเหลือศาลาสองหลังนี่ล่ะเพราะนั้น พวกศรัทธาญาติโยมเมื่อได้ยินได้ฟังหลุงพ่อพูดในวันนี้เราก็ขอบอกต่อๆกันไปด้วยนะยังรับอยู่ว่างั้นเถอะยังรับอยู่เรื่องศาลาสองหลังนี่ทุนยังไม่เพียงพอถ้าจะว่าไปแล้วยังทุนยังไม่เพียงพอจากนั้นก็คงจะได้จัดปมูมิทัศลูกต้นไม้ประดับตกแต่งบ้างแต่ลุงพ่อเองลุงพ่อก็เป็นที่อยู่ในเมืองอุดรมานาน หลวงพ่อเองก็ได้คิดปลารบกับพวกญาติโยมร้านค้าอาเสียอากงอามาต่างๆหลวงพ่อก็ปูดเ อ, เอพวกเรานี่นะมีแต่พี่น้องชาวอื่นแต่ใช่แต่พวกเรามาเราเราไม่ได้ทำเป็นตุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เ, เรามาเป็แต่ว่าอ้าพักกระเป๋าถวายหลวงปูอย่างเนี้ยเออมันคนละนิดคนละมากคนละน้อยอันนั้นก็ เป็นส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็ยังคิดอยู่ว่าเอ่ยน่าจะประชุมกันห้างสินค้าต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆมารวมกันแล้วมาลงขันกันสักตั้งหนึ่งดีไหมหลวงพ่อยังคิดอยู่นะยังปลารบอยู่แต่ว่าดูดูแลเศร ษ, ษฐกิจปีนี้ก่อนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายรู้ๆมันย่าแย่พอสมควรแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเนี่ยนะใจของหลวงพ่อนี่ใหญ่พอสมควรนะ ถ้าจะว่าไปอยากจะช่วยหลวงปู่อย่างสุดๆเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวอรรณไว้ด้วยนะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อวันพวกเราน่าจะลงขันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่หนีก็แล้วกันแล้วกันเถอะส่วนหนึ่งละหลวงพ่อจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยและก็บพร้อมกันครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงตาต่างๆหลวงพ่อกับคนจะชักชวนเข้ามามาร่วมกัน เพื่อให้เจดีของหลวงปู่นั้นสาเร็จรุลวงไปได้นะแต่ถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงมีความสมัคคีกันหลวงพ่อว่าเจดีนี้ก็คงจะไม่หนักหนาแต่ถ้าว่าต่างคนต่างทาต่างคนต่างหันหลังให้กันนะหลวงพ่อว่าก็คงจะหนักพอสมควรอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราถือว่าเออพวกเราได้รับธรรมะมานี่ได้รับศีลธรรมมานี่ได้รับมาจากหลวงปู่ขาว ได้รับมาจากหลวงปู่ฟั่นได้รับมาจากหลวงปู่เทศได้รับมาจากหลวงปู่อ่อนได้รับมาจากหลวงตามหาบวัวก็แสดงว่าพวกเราได้รับตามสายสายก็คือหลวงปู่ธรรมะเจดี เ, เป็นต้นตระกูลและก็ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็เกิดมาจากท่านท่านจากุณธรมาเจดีเป็นพ่อจากนั้นท่านก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ย้ายผลพวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของ ครูบาจารย์แล้วก็ถือว่าหลวงปู่ธรรมะเจดีเป็นเจดีเออเป็นปู่เป็นทวดของเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะเสียสละเพื่อให้งานพระเจดีของหลวงปู่สำเร็จลุล่วงไปได้นะถ้าหากว่าพวกเราช่วยๆกันเพราะนั้นของหลวงพ่อเองขอฝากไว้กับสักายาิโยมทุกๆท่านนะ แล้วก็พร้อมกันวันนี้นับว่าวันเป็นวันมงคลมหามงคลก่อนเข้าพรรษาปีนี้นะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่วันที่8ดนี่ก็วันที่บดนี่ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ส2บสองอีกไม่กี่วันข้างหน้าอยากจะหลวงพ่อเองไปพูดที่สถานที่ใดหลวงพ่อเองเลอยากจะบอกกล่าวว่าในพรรษานี้พวกเราควร จะตั้งกิตอธิษฐานสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั่นการที่จะสร้างคุณงามความดีพวกเราควรจะวางแผนไว้เหมือนกันนะวางแผนวางแปลนเอาไว้ว่าในพรรษาที่จะถึงเนี้ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะงดบุหรี่ดีไหมเราจะงดเหล้าดีไหมเราจะงดการพนันทุกอย่างดีไหมเราจะไหว้พระทุกวันดีไหมเราจะใส่บาตรทุกวันหรือจะใส่บาตร ตักบาตร ท, ทาบุญทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ดีไหมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเรามีแปลนมีแผนเอาไว้แล้วก็พร้อมกันก็พ่อแม่ของเรามีอยู่เราจะไปกราบพ่อกราบแม่ทุกวันอาทิตย์จะไม่ให้ขาดดีไหมอย่างนี้เพื่อเป็นตัวอย่างของลูกหลานของพวกเราเมื่อเราแก่เท่าขึ้นมาลูกหลานก็จะได้รา ล, ลึกถึงนึกเอาเป็นตัวอย่างนะ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สังสมคุณงามความดีไม่มีแปลนมีแผนเอาไว้หลวงพ่อว่าทำไปเป็นวันเดือนปีผ่นนานไปหลวงพ่อคิดว่าคงจะไม่ดีเท่าที่ควร น, นะขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมเขาทำความชัว่วเขาก็ยังมีแผนเขาทำความชัว่วก็ยังมีแผนเป็นชั้นๆว่าไง่เราจะทำความดีเราจะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย หลวงพ่อว่าพวกเราก็น่าจะมีแปลนมีแผนเหมือนกันนะแล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมให้พวกเราอย่าลืมศีลธรรมก็คือว่าให้มีศีลห้าไว้ดีนะสำหรับฆรวาวาสญาติโยมโลกทุกวันนี้ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เพราะว่าขาดศีลธรรมถ้าพวกเราว่าศีลธรรมในคําเดียวเท่นั้นแหละก็เหมือนกับว่าจุดเอื้อมแล้วว่าเป็นของคึกของล้าสมัย แต่ตามไม่จริงศีลธรรมนั้นไม่ใช่ของคือของร้ายสมัยนะศีลธรรมคือกฎหมายศีลห้าก็คือกฎการปกครองให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนมีศีลห้านะถ้าว่าคนขาดศีลห้าหรือขาดศีลธรรมมากๆโลกยุคนั้นสมัยนั้นเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยอย่างศีลห้าข้อที่หนึ่งอย่างนี้น่ะห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์เ อ, อใช่การฆ่าคนอื่นของเขาเราก็ไม่รู้สึกอะไร แต่เขามาฆ่าเราเลยสิฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขาก็มีเสียความรู้สึกเหมือนกันเสียใจเหมือนกันเพราะนั้นศีลธรรมจะจำเป็นไหมหรือทุกคนจาเป็นกับทุกคนไหมเออจำเป็นกับทุกคนจะต้องรักษาหรือเมื่อกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองใครจะเป็นเป็นผู้รักษากฎหมาย ใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วพิพากษาอายการทนายความใช่ไหมตำรวจใช่ไหมเป็นผู้รักษากฎหมายไม่ใชเ่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าพวกเราเไม่มีไม่รักษากฎหมายไม่เคารพกฎหมายแล้วความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนในยุคสมัยนั้นในกลุ่มนั้นในประเทศนั้นอันนี้เขาเหมือนกันชรินธรรมเป็นหน้าที่ของใคร เป็นหน้าที่ของพระใช่ไหมเป็นหน้าที่ของคนแก่ใช่ไหมจะต้องมีศีลห้าคนหนุ่มไม่รักษาใช่ไหมตามไม่จริงไหมใช่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องมีศีลถ้าพวกเรามีศีลไม่ฆ่ากัน อ, อดีไหมไม่ขโมยของกันดีไหมไม่ประพฤติผิดในกรรมละลาบล ะ, ะล่วงสามีภรรยาของใครของเราเคารพสิทธิ์ของท่านดีไหม ไม่มุสาไม่โกหกดีไหมไม่ดื่มสุราดีไหมเรื่องดื่มสุรานี่ถ้าเรามองแบบคิวเผินเขาบ อ, เ, อาเงินของเขาปากของเข า, เาการกินก็เรื่องของเขาเป็นไรไปแต่ตามไมจริงเราคิดแบบง่ายๆอย่างนั้นใช่แต่พอดื่มพอไปแล้วคนขาดสติอะไรคนขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างนะข้าพ่อข่าแม่ข้าชีตีสงา่าคนดา่าคนนี้ได้ทั้งหมดเขาเห็นเลยคนขาดสติ พราคนขาดจติตคือคนเป็นบ้าเป็นบ้าแกไกลายเป็นบ้าชั่วคราวในขณะที่มันเมาคนที่ขาดจติตนั้นสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้ขโมยของคนอื่นก็ได้ประพฤติผิดในการมก็ได้มุสาก็ได้เพราะคนขาดจติตเพราะคนเมาเพราะฉะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้สองพันกว่าปีถ้าเรานํามา ปรับปรุงแก้ไขแล้วหลวงพ่อว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมของพวกเราเพราะนั้นขอฝากศีลธรรมไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตใจแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองในกลุ่มของพวกเราและก็พร้อมกันนะขอหลวงพ่อขอเตือนนีว่าคนเราเกิดมาแล้วนะเกิดมาจากไหนและจะอยู่จงไง ตายแล้วศูนใช่ไหมหรือตายแล้วเกิดในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้ายืนยันนะตายแล้วเกิดแล้วจะเอาคําไหนมาพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์อยู่ในป่าถึงหปีไป น, นั่งภาวนาอยู่ใน6ปีจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะระลึกชาติผนหลังได้ปุเพเนวาสานุตติยานระลึกชาติผนหลังได้ถ้ามีเกิดมาชาติเดียวพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไร เมื่อมีชาติที่แล้วพระพุทธองค์จึงได้ระลึกชาติวันหลังได้ในเพราะนั้นพวกเราให้เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าพวกเราอยากจะพิสูจน์ด้วยตนเองก็นั่งภาวนานะนั่งสมาธิตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตามที่พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้นั่งสมาธิ แอ๋ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจนะั้นใจนั้นคือตัวผู้รู้รู้นั้นเป็นอีกอันนึ่งสรุปแล้วคือร่างกายของเรามีอยู่สองรูปธรรมและานามธรรมอยู่ในเนี้ยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย เ, เป็นสองคนเป็นสองอย่างอยู่ในในตัวของเราแต่เราเห็นมองเห็นแต่ โลประธรรมแต่ส่วนานามธรรมนั้นพวกเรามองไม่เห็นแต่หลักของพุทธศาสนาให้ความสนใจให้ความสําคัญอย่างมากแก่นามธรรมไอ้ตัวที่มองไม่เห็นน่ะตัวที่รู้รอย่างนั้นอ่ะพราะพระพุทธเจ้าท่านวตัวนั้นละ่ะตัวที่รู้รู้นั่นอ่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่เราทํากรรมชั่วกรรมชั่ ว, ก, วก็จะพาจิตวิญญาณดวกนั้นละ่ะไปตกนรกหมกไหม้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ารฉานแต่ถ้าพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลหนังอย่างวันนี้พวกเรามาทําบุญเน่ย บุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเมื่อออกจากร่างนี่แล้วใจดวงนั้นก็มีบุญมีกุศลเหมือนกับคนมีเงินอย่างนั้นแหละไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินทรพมไปไหนไหนได้ทั้งนั้นเพราะคนมีบุญนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านเบื้องแรกหลวงพ่อได้กล่าวความเป็นมาของพระเจดีย์เป็นยังไงก็ขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านนะถึงจะกลับไปถึงบ้านแล้วก็ตามให้ระลึกถึงพระเจดีย์ของหลวงปู่ของเราด้วย แล้วก็บอกกล่าวกันว่าเจดีย์นี้ยังไม่เสร็จเนอะใ ห, ให้มาร่วมร่วมกันสร้างให้มันจบจบเอออันนี้คือส่วนหนึ่งอันที่สองก็เรื่องศีลธรรมก่อนจะเข้าพรรษาปีนี้พวกเราควรจะวางแปนวางแผนยังไงกับชีวิตของพวกเราแล้วก็พร้อมการเรื่องศีลห้าเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้รักษาจากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวย้ําเตือนว่าตายแล้วไม่สูญเนะ้ตายแล้วเกิดอีกเออไม่เป็นจากอืก่เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่าน ศรัทธาญาติโยมทุกคนที่มาในวันนี้ก็ขอมาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเสร็จแล้วก็เดินทางไปในสถานที่ต่างๆกับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางสะดวกปลอดภัยปราถนาสิ่งใดอยู่ในศีนลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเธอ